อธิบายเรื่องสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรละซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแต่ไม่ใช่ของอนั้นเป็นของที่เป็นวัตถุของนั้นเป็นนามธรรมตามตำราที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเรียกว่าสมุดไทยภาษาบ้านเราก็พอจะเข้าใจกันได้คําว่าสมุดไทยคือสมุด สมมติอันไหนสิ่งที่สมมตินั้นเรียกว่าสมุติไทยถ้าว่าตามเนื้อความเนี่สมุติไทยคือสิ่งที่เป็นเหตุเนี่ยเกิดให้เกิดขึ้นมาเรียกว่าสมุติไทยแต่เราพูดเอาฟังความกันง่ายๆได้ความกันง่ายๆกับตัวสมมติสิ่งในที่สมมุติคือมาสิ่งนั้นไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของคนเอาไม่ใช่ของจริงของจัง แต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัตเทศนาในเรื่องธรรมจักนั้นท่านก็เรียกว่าของจริงเหมือนกันเรียกว่าสมุทัยสัตว์ทุกข์สัตว์สมุทัยสัตว์ก็เป็นของจริงของพระอริยเจ้าเหมือนกันสมุทยัยท่านหมายเอาสิ่งที่เป็นเหตุในเกิดทุกข์ได้เก่ควมามเชยเอื้อเทีย พูดตามบาลีท่านเรียกว่าตัณหาสามกามต า, า, าตัณหาเพระว่ตัณหาวิภาวะตัณหาคนเราเกิดขึ้นมาในกามาพบพบอันนี้น่ะมนุษย์กับช่างสัตว์เดรัจฉานก็ตามละเอีุดอธิายก็ตามเทพพระดาก็ช่างท่านเรียกว่ากามาพบพบอันนี้คือมีความรักความค่ายความกำหนัดพอใจยินดี ในรูปเสียงกินรถโขดถ้าผัอันนี้นเรียกว่ากาสมาภพภพอันนี้เป็นกามประกอบไปด้ยวยถ้ากามคนเมื่อเกิดในภพอันนี้นั่ น, นล้วนจะพูตกอยู่ในสภาพของกามทั้งนั้นเหตุนั้นภพอันนี้จึงเป็นทุกข์มากเพราะต้นหาคือกาสมาภพนั้นอยู่ในอยู่ในภพของกาม มีทุกเป็นเครื่องสนับสนุนผู้ที่หลงมัวเมาเข้าใจทุกเป็นสุขก็เลยเพลินอยู่กับทุกผู้ที่เข้าใจตามเป็นจริงเห็นทุกตามเป็นจริงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายยอมละคลายความกำหนัดยินดีก็เลยได้ดีขึ้นมา ตกลงเป็น น, นว่ายกเอาตัวทุกมาเป็นเหตุให้พิจารณาเห็นโทษทุกของกามทั้งหลายแล้วก็คือตัวทุกนั่นแหละแล้วตั้งใจมาเพ่งพิจารณาให้เห็นที่ปดที่เปื่องให้เห็นที่แก่ที่หลุดกระุดพ้นไปได้เพราะทุกเป็นเหตุที่เรียกว่ากามกามมาพบ คณะนี้เมื่อกามมาพบมีแล้วคณะนี้การเราเกิดอยู่ในกามมาพบความทะเยอทะยามกระทะเยอในกามมาภูมิคือกามาตัญหาและกามมาิริอยากได้อยากได้รูปอยากฟังเสียงอยากได้รูปที่สวยสดงดงามอยากฟังเสียงขีดเพราะที่ชอบ อ, อกชอบใจ อยากสูบกินที่ห้อมหอยเป็นเหตุในชื่นอกชื่นใจอยากได้รถที่อร่อยอร่อยมันถูกกับปากกับลิ้นของเราอยากสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลพบอุ่นนะมันชอบอกชอบใจอยากสัมผัส การอยากนี่แหละเป็นเหตุทะเยอทะยานเมื่อเราอยากได้รูปจะเป็นรูปอะไรก็ตามเถอะพูดกันยัำๆยาคล้ายๆอย่างง่ายๆคนหนุ่มคนสาวคือชอบรักกันสแสวงหารูปที่ตนชอบออกชอบใจสมัยนี้เ็าเรียวกว่าแฟนขเขาไปไหนไปไหนก็ติดอกติดใจ มองจ้องดูทุกวิถีทางยังไงจะได้ยังไงจะเป็นของเราจิตใจฟักใยอะไรอาวร อ, อันนี้เห็นได้ชัดพูดเข้าใจง่ายๆคือรูปที่เราต้องการมุมสาวเขาต้องการรูปสวยรูปไม่สวยเขาก็ไม่อยากดูไม่อยากได้ ใครๆก็เคยเป็นมาแล้วหนุ่มสุดสาวทุกคนเคยเป็นมาแล้วคงจะได้ผ่านพ้นมาแล้วพบมาแล้วเห็นมาแล้วรู้เรื่องทั้งหลายเมื่อประชันมีควมทุกสักขนาดได้แล้วจนลืมเนื้อลืมตัวบางคนจนพ่อแม่แนะนําจากเตือนให้สติทัดตังไม่ยอมเลยเสียผู้เสียคนในสมัยที่วันนี้เพราะอะไรมากยิ่งก็มากเสียคนแต่พระรูปอันเดียวคือความทะเยอทยานคือตัณหา มันอย่างได้จึงทําให้เสียฟูเสียฟกเสียศีลเสียธรรมไปหมดนั่นแหละที่ว่ามันเป็นเหตุในเกิดทุกข์มันทุกข์อย่านั้นที่ว่าตั้นหาคือความทะเยอทะยานอยากมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์งนั้นเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงขับเสียงเตงเสียงหวานเสียงจ้อยเสียงหวาน อ่อนส้อยแล้วลึกคิดถึงความพูดวาจาภาษาเขาพูดกันทัท่วไปในบ้านคนเรามาตายหอเสียงใครมาพูดดีไปเจบไปแจงพูดอ่อนน้อมหวานเสียงหวานลงลมตายไปหมดอันนี้ก็อีกถ้าจะพูดกันกลมไปกลมมา นุมสาวที่หลงตายมันตายเพราะเสียงมากกว่าอย่างอื่นไม่ดีเขาก็สมมุติว่าเป็นของดีขึ้นเขาก็แต่งให้มันดีขึ้นรูปไม่ดีเสียไม่สดสวย ง, งามไม่มีไ ม, ไม่รวยไม่มีศีลธรรมไม่มีวิรญาณเขาก็แต่งของเขาทำเป็นของดีของดีเด้วยวคาพูดวาจา ยกตัวย่อตัวขึ้นเอาเป็นข้อดีข้อดีมีคุณประโยชน์อย่างนั้นองมีวิเศษวิโสอย่านั้หลงหลงเสียงและตายเพราะเสียงก็คงได้ผ่านคนมาเมืองกันความไปในผู้นั้นของยำยาเนี้เห็นใชไหก่อนจ้รู้ด้วยกนเสียงอรเดินก็เหมือนกันเสียงอะไรอะกัเหมือนกันตั้นหาคือความหลงคือความอยากได้ในเสียง ติดในเสียงเมาในเสียงหลงในเสียงหลงในกลิ่นกลิ่นที่เราหอมหวยกลิ่นหองหอมอะไรทั้งหมดก็ตานถอะดอกไม้น้ำอบน้ำหอมก็อันนี้ก็อัลลัพูกกันใกล้ๆอย่างว่านี่แหละคนนอนจะกระโปงเกียจตายเหม็นสากจะตายแม้อ่างน้ำแค่วันนึงก็เอาเถือเม็นเหงื่อเหม็นไค่เหม็นสาก แต่ก็ต้องอาศัยสิ่งอื่นฉาบไว้เพื่อหลอกลวงคนอื่นให้หลงตามีน้ำอบน้ำหอมอะไรอบไว้หอมคาว่าอบนึงก็ถูกคือมันอบคือว่าฉาบไปน่นเองทาของหมินฉาบของหมินไว้แม่คนอื่นรังเกียดคนผู้ที่หลงก็เลยไปหลงกล น, นั่นนหะ ว่าคนเป็นของหอมใะจริงๆอย่างจังก็เลยหลมกับกลิ่นหลงกับรถโอชาคือสิ่งที่ทราบซึ่งซึง่ทราบซึ่งในใจเรียกว่าโอชาถ้าหลงรูปเสียงเนี่ยเมื่อหลงในรูปแล้วเนี่ยเห็นรูปเป็นของสดสวยงามชอบใจอยากได้แล้วน่ยโอชามันทราบซึ้งเข้าไปไภายในใจไ่้ มันซึมเศร้าเข้าไปภายในใจจนทึ่งในใจเลยนั่นเรียกโอชาคือรถอันน่้นมาถึงเรื่องลดอันนั้นแท่าก่อนได้ยินเสียงเหมือนกันน่ะเสียงพูดถ้าหากเราชอบเอาเข้าใจในรูปใดแล้วอืรู้จิตีชอบใจในรูปของกัารในการเขาได้ยินเสียงเท่านั้นอ่ะมันเข้าไปทราบซึ้งถึงใจมัโอชาคนนั้นเข้าไปถึงกายเพีงใจ จนส้านมดถึงภายในอั้นเรียกว่าอูชะรถหลงกับรถชอบใจกับรถยินดีอยากได้อย่างเข็นอยากได้ยินได้ฟังอยากเข็นอยู่งั้งตลอดเวลาอยากได้ยินได้ฟังง้นตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าความทะเยอทะยานอยากได้ในรถชอบใจในรถยินดีกับรถ อันนี้ว่าถึงรสอาหารที่สัมผัสกับลิ้นได้สัมผัสรสชาติอันใดอันเด็จอร่อยแล้วไม่ลืมคิดถึงรสอันนั้นอยู่ตลอดเวลาให้ง้มหามาให้มาถูกลิ้นตนอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมาคิดถึงเรื่องขนมเบื้อง คนตุทํทำให้ถวายเคยได้ยินได้ชื่อแต่เมื่อก่อนไม่ฉันเข้าไปแล้วมาแล้วลึกถึงเรื่องมัทยาเศษฐีคือว่าในครั้งพฤทธการของเรานี่แหละเศรษฐีเขานั้นกีนเนี้ยวกีเหนีย ว, ยวจะไปซื้อขนมริงก็กลัวอดกลัวกลัวจะหมดเงินหมดทองไปเห็นเขาท้าข น, เนมเบื้องหอมหวยชื่นโอเกินใจอยากจะทาน แกว่าไม่กล้าจะซื้อกลับมานอนเป็นไข่เลยขดอยู่ในเตียงคนเดียวผู้ภรรยาไปเห็น เ, าเา้าแต่ข้อยเป็นไข่กันจริงจริงจังๆเป็นลูกไป็ําำอยู่ตรงไหนก็ยังอบอุ่นดีๆอยู่ถิ่งถามไปไหนคุณเป็นอะไรให้เป็นอะไรหรอทาไมไม่เป็นอะไรได้มานอนขดอยู่ตรงนี้ข้อยกับสิบภรรยาฉันอยากกินขนมเบื้อง อ้าอยากอะไรอยากกินมันยากเลยฉันจะทําให้กินเดี๋ยวไปหาแตงสนมมาไม่ได้ไม่ได้ไไดทําตรงนี้ไม่ได้แร้วลูกหลานเขาจะเห็นคนใช้เขาจะเห็นแม่เอาไม่เอขึ้นไปชั้นบนชั้นที่เจ็ดกระสาชั้นที่เจ็ดแต่ถ้าเขาหนุนเมืองอยู่ข้างบนสองผู้เมียไม่ใครไปด้วยกพราเขาจะเห็นใครไปแย่งกิน ต่อพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นเราววันนี้สัยวาสนาแกจะมีจะได้เป็นพรเรียบุคคลคนหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าโมกขันลาผู้มีฤทธิ์มาเลยครับกําลังแกเท่าขนมเวืนอย่างนี้ไม่ทานทใส่ถาดด้วยโมกขันลาสเสด็จะบินฑบาต น, ะคะนอครับเหาะวิณบาตไปยืนอยู่หน้าต่างมองไปมองว่าก็นึกเอาไม้อยู่ในที่รับ มิจฉิตรจะทำยมงมีพระองค์นี้มาคอยวิธบาีของเราทำไงกันน้อบอกให้ถ้าหนีถ้าไหนไปถ้าไหชืย่ยน้ำขานก็เยยกถาดขนเอาเบื้องไปจะไปใส่แค่เดียวหรอกเพราะเนี้ยออกแส่เดียววติดกันมดทั้งถาดเลยพล่นพึนขึ้ น, น, นดึงส อ, งของเขามีอดไรเด่นอะไรมันก็ไปขาดขึ้นเพื่อแตก้นอะไร ทดลองเลยพระโมกขันลาท่านเลยเทศนาทรมานเพราว่ากินคนเดียวมันไม่มันไม่เป็นซุขหรอคนเราคนที่จะเฉลีย่ยคมสุกมูนี่ปันแก่คนอื่นกินบ้างเหศุไหนฟังหลายเรื่องออย่างใจอ่อนในคนที่สุดเลยยอมไปวัดเทกคนพาไปหาผู้ใจเจ้าพูทธเจ้าเลยเทศนาให้ฟังเขาไปถวายข้าหน่อบืัองให้พระเจ้าประสงค์ั้ง สี่ร้อยหรอยขนมถาดเดียวทั่วถึงกันหมดแค่เกิดจะทาเรื่อมใส่เรื่องนี้ไงขอแวะพูดทั้งน้อยนึงว่าทําไมมันยังทั่วถึงกันอย่างนั้นคือท่านฉันในที่เดียวมีมากทั้งกะแบ่งมากมีน้อยทั้งกะแบ่งน้อยมันก็ทั่วกันทั้นเองค้าหนึ่งท่านอาจารย์ม่า น, นสเสด็จไเที่ยวทุกลุคขมูลไปถึงสกลนครไปพักอยู่ที่นั่นที่ใหญ ท่านะเวียงมีบ้านหลังเดียวอตรงนั้นไปเยี่ยมท่านบาทแล้วท่านะเวียงเขาใส่ได้เข่าเปล่ารับออกมามีได้แก่คนหนึ่งคนขอลาดไปทําสวนอยู่นั้นอยู่ที่ท่านอเวียงต้นมะ่วงเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่แก่อยู่คนเดียวแกมีอะไรแกกับต้มน้ําปลาใส่หม้อนน้อยไปข้าเน้นเจ็ดแปดงคทั้งมะขามด้วยไม่ทําไงกันกับเจ้ากรมท่านย์นมาเนี่ยก็ให้เอาไปตองมาทําไม่ไอวไหม เย็ดเต็มกระทมคนละกระทงกระทงแล้วก็ซักน้าปลาเนี่ยน้ำปลาต้มใจคนละช้อนละซ้อนทุกคนแล้วก็ฉันก็เข้านี่ตัวอย่างของน้อยกระ่วถึงกันของมากกระทว ถ, ถ้าเจ็ถ้าพูดตามความจริงไม่ใช่พระพูดโดเจ้าท่านจ ะ, สะแสดงนีปิตปฏิหารอะไรมากมายนะของนั้นถ้านไม่สแสดง การเศรษฐีก็เห็นทั่วถึงหมดก็เลยเกิดศรัทธาเรื่องใส่ใหญ่ตัวพระองค์ก็โปรดเอาจนได้เกิดศรัทธาเรื่องใส่ปฏิ ญ, ญาาตนถึงพระราสนาตายในพุทธศาสนาอันนี้เรื่องขนมเบื้องคนคิดขี้เหนียวนี่แหละเรื่องลีนเรื่องลีนกันต้าหาแปลงทางดีกันถ้าถูกทางจนได้เป็นพุทธสาวกวาสุปติกายพุทธศาสนาเหมือนกันมัชฌิณเศรษฐีก็ยังดีอยู่ แต่บางคนหายได้เป็นเช่นนั้นไหมชอบอะไรติดใจได้ก็หาทานแต่สิ่งนั้นย่นเตลิดเปิดเวิเวรลืมบุญลืมกุศนสมัยนี้ไม่มีเท่าผู้มีฤทธิ์มีเดช ท, ที่จะเป็นชลามาในนั้นสิแล้วไม่เหมือนสมัยนั้นเลเดี๋ยวนี้แล้วเท่านั้นแหละมีเรื่องรถติดรถอาหารคพามมยากในการติดรถเป็นกองทุกข์ มัตเธนเซตีนะั้ทุกจกนกระทั่งนอนขดอยู่บนเตียงภาษาบ้นเรือนนี้นเป็นไข่น้อยไปบะ เ, เพียงที่อยากกินขนมเบื้องที่จะเป็นจะเป็นไข่น้อยไปสัมผัสราคา น, นี้การถูกซ่องนิ่มนวลอ่อนแข็งนอนในบ้านในเรือน น, อน่นอนฟูกนอนเบอกนิ่มนวลอุ่นอบอุ่ น, ไ ป, นไปวัดไปวานอนรักษาศีนลนะบริสุทธิ์กลัวจะหนาวแข็งกระด้า ไม่ยอมไปติดติดเบอะติดพ่อคู่ติ ด, ต ด, บ, ต ด, บ, ด, ตดบ้านติดเรือนไม่สามารถที่จะหนีอย่างนั้นได้นี่เรียกว่าตั้หาความทะเยอทะยานในรูปเสียงทิ้งรถโพธภพอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ละละยังไงอ่ะไม่ให้ดูรูปเงนินือแม่ฟ้งเสียงเงินอ ไม่สูบบิบลื่นรถก็ไม่ต้องสัมผัธ์ไม่ต้องทานอาหารกันกันห น, นึ่นหรือทานได้ของเร็วๆกันหนึ่งปลาไม่อย่างนั้นหรอกข้าว่าละในที่นี้เนะ่ยไม่ใช่ละอย่างที่ไม่เหลียวเลละอย่างเดียวกับเห็นทุกเอาทุกขึ้นมาพิจารณาหรือยกรูปขึ้นมาพิจารณามันชอบรูปอะไรรูปมนุษย์บุรุษสตรีหรือมันชอบรูปวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอย รูปศัลย์สิ่งรูปสิ่งใดก็ตามยกเอารูปมันนั้นขึ้นมาพิจารณาที่มันชอบ ม, มันละอย่างรูปมนุษย์เราเอามาเพ่งพิจารณาเห็นปฏิกูลโสโครไม่เห็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นก้อนทุกนีเห็นเป่นธาตุสีน้ำไปลงเขาเพ่งพิจารณาลงไปงั้นอันความที่อยากจ ะ, ะเสยทะยานอยากจะเห็นรูป ชอบรูปยินดีกับรูปลักให้ในรูปมันก็หายมันก็จางไปละโดยวิธีนี้ไม่ใช่จะห น, นีแล้วรับแล้ตามให้ดูได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นหนีไม่เห็นรูปเลยหนีไปไหนก็ไปเื่ดถ้าหากไม่ยกขึ้นมาพิจารณาละไม่ได้ทุกอย่างที่ว่ามาเบื้องต้นนันก็เหมือนกันทุกนั้นถ้าพิจารณาถูกมันละไปโดยไม่รู้ตัว ยกทุกข์จะมาพารณมันละโดยไม่รู้ตัวแต่พระองค์เจ้าพระองค์ไม่ได้สอนให้ละนะคือว่าเอาเถอะถึงมันละมันจตามเถอะแต่ยกเาทุกเอาพิจารณาอีกต่อไปอันเรื่องรูปนี่ก็เหมือนกันตาเนี่ยยุ่งเลยต้องเห็นอยู่ล่ำไปรับไปแล้วถ้าหาก็มันยังติดอยู่แล้วมันเป็นทุกข์มากทถ้ามันอยากเห็นอยากดูอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งเป็นทุกข์มากลับไปมันยังเห็นภาพภายใน ปากฏอยู่ในใจของเราตลอดเวลารู ป, กปอกุ้มเป็นใจยกคนเดียวเห็นนั้นจะมาพิจารณายกรูปกมาพิจารณาให้เห็นสภาพตามเป็นจริงจช่ไหมก็วางไปอีกจริงว่ารูปรูปเป็นของคนพิจารณาคืออยากให้มันมีตั้หาทะเยอทะยานในการที่จะเห็นลูกอยากฟังเสียงเหมือนกันอยากดมกลิ่นสุก กินแล้วลิ้ลินรดเหมือนกันสัมผัสในกายกันเหมือนกันทั้ง5านี่แหละเรียกว่าการมันุณหาัาหมายความว่าอยาให้เห็นเป็นคุณที่ชอบรักยินดีพอใจทะเยอทยานหมายความว่ามันเห็นเป็นคุณมันจึงเคยชอบครั้งนี้อย่าให้เห็นเป็นคุณปฏิวัติจิตใจของตนเองและ ค, ความคิดของอย่างของตนเอง ให้เห็นเป็นโทษถ้าเห็นตามเป็นจริงมันมันไม่ใช่เห็นเป็นคุณแต่ละมันเห็นเป็นโทษทั้งหมดแล้วโทษเนี่ยทำยังไงคะนี่โทษไม่ใช่ว่าจะไปทุบทิ้งหรือไปเผาไฟทิ้งอย่างว่าเหมือนบางต้นเห็นโทษแล้วมันคลายความทะเยอทะยานอยากเรียกว่าเป็นการละการทิ้งการถอนเพื่อจะเจ้าให้ละให้ถอนด้อยการอย่างนี้เนี่ยว่าสมุทัยเป็นของขวัญละ จึงจะไม่เป็นทุกข์ลองคิดดูว่าถ้าหากเราเห็นเช่นอธิบายมานี้จิตใจมันจะไม่เสเยอทะยานดินหลนไม่อยากได้ในรูปแลอไม่พอใจในยินดีรักใคร่ในรูปหรือเสียงกลินรถโฟล์ทพระทั้งหมดมันจะอยู่สบายไหมล่ะกรลับรองว่าทุกคนต้องสบายนน่ไม่ดิ้นลนเสือกสนกสน แม่ดินลน่นกระเสือกกระสนหาลูกเสียงกินล่นนมันก็นกนสบายใจถ้าพุทเจ้าท่านเทศนาไว้อีกนหนึ่งว่าถ้าเอกเป็นไฟความรักใคร่พอใจทะเยอทยานดิ้นลนอยากได้ลูกอยากฟังเสียงสูบกลิ่นดินลนอะไรต่างๆทั้งหกทั้งหาประการถ้าตรัสเทศนาว่าเป็นไฟไฟคือความใคร่ความรัก ได้แกล่ลาธกินนาคนเห็นได้ง่าถท่านนก็มาเปลี่ยนเหมือนกันนาทีลาข้าสมานาทีความใข้ความพอใจนั้นเสมอด้วยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำนั้นมันไหลไปมีที่สุดชั้นใดแรงฝนอย่างแม่น้ำของก็แล้วกันไหลยอยู่ตลอดเวลา ความไข่ความพอใจความรักในลูกเสียงกินรสโผฏฐพะไหลอยู่มัดปีมันชติไหลอย่างมัดวันมัดคืนท่านจะเปรียบมันกับน้ําหรืออีกหนึ่งท่านเปรียบมันกับไฟท่านยังเปรียบมันกับไฟเหมือนไงอธิษฐานปฏิยาสุขเขาเห็นลูกนั้นมันรอดวูบวาบขึ้นมาถ้ายังมีราค้าตัญหาอยู่ในใจถ้ามีตัวตะมุทัยอยู่แล้วนั่รอดวูบวาบขึ้นมาในใจเลย ดังอธิบายมาในเบื้องต้นได้ฟ <sh> ังเสียงก็เหมือนกันสูกลิ่นลิ้นรนเสมอกันมันร้อนเราเผาใจทั้งคนนั่นจริงวาเหมือนกันกับไฟเห็นนั้นถ้าหาผู้มาเห็นโทษว่าไม่ใช่คุนเส็ยแล้วนั้นผู้นั้นล่ะจึงจะพยายามหนีจากทุกไฟไหม้บ้านนะกลัวมันจะมั่ไหมตนเองวิ่งหนีโดยไม่รู้ตัว สิ่งของม่เธอได้หรือมดถ้าหาังไม่ต้องเห็นโทษราบได้แล้วจะนอนจมจนไฟไหม้เขรู้ตัวตายก่อนพระเจ้ายัางเทศนาหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะท้งว่าทั้งเรื่องตัวสมุทัยคือตัวตัณหาเรียกว่ากาวมาตัณหาอย่างอธิบายมานี้อันนี้ภาะวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้อยากได้อะไรต่างๆนะ คือมันไม่มีก็อยากให้มันมีอยากเกิดอย่างมีอย่างสิ่งที่มันมีแล้วก็อยากให้มียิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปนั่นเรียกว่าเพราวะตัณหาได้เท่านี้ก็ไม่พอยังไม่ยิ่งขึ้นไปตัวนี้อีกมีเท่าไใดก็ไม่พอยังมันมียิ่งยิ่งขึ้นไปตัวนั้นอีกทันพูดกันง่ายๆเลยว่าความพอไม่มีความพอไม่มีก็พูดกันให้ชัดกันไปแล้วก่อนคนไม่พอคือคนไม่อิม่มคนไม่อิ่มก็คือคนทุกข์ คนเราถ้าไม่อิ่มมันตกลงก็ต้องเป็นทุกข์แน่มีมากก็ไม่อิ่มก็เป็นทุกข์เท่านั้นเองใครก็เคยหิวอาหารทุกคนไม่ใช่หรือถ้าหิวมันแล้วต้องเหนื่อยต้องเพียหน้ามืดหมดอันนั้นมันทุกข์ทุกข์ข้อหิวถ้าคนเราไม่อิม่มหรือเรียวคนหิวคนหิวก็ยังไม่ควรจะทุกข์จะมีเงินกองเท่าเป็นเท่าท่วมฟ้าท่วมแผ่นดิกกนก็ตามเถอะถ้าหากยังไม่พอเป็นคนเป็นทุกข์อยู่ทางนั้น ถ้าท่ายังสอนให้เป็นคนพอไม่มีอะไรน่ะถ้าใกลชีวันบาทพาสามฝืนยนี่บาทลูกนึ่งก็เอาละไม่สะสมอะไรมากมายรู้จักพอแล้วก็สบายดูสิพระเนนก็ดีไม่ค้าไม่ชีก็ตามเถิถ้ารู้จักพอแล้วสบายสบายไม่ต้องสะสมอะไรมากมายสบายเลยแต่ก็ไม่รู้จักอด ถ้าสร้างสมทัยไม่พอก็ยิ่งอดใหญ่มีมันก็อดอยู่ดีๆดอธิบายมาแล้วมีเลี้ยวเขาว่าปัญหายี่เพราะว่าปัญหานั่นคือไม่อยากมีไม่อยากเห็นคือไม่อยากเห็นอยากรู้เรียกว่ายี่ภาวะปัญหาคืออ ย, อ, ย อ, อยากไม่อยากนั่นเองอยากไม่อยากนั่ะพูดยากฟังยากคือเราเป็นคนเยื่องนี้แนหะไม่อยากให้เป็นไม่อยากเป็นคน มันเป็นคนแล้วไม่อยากเป็นผลอยากไม่อยากอะไรนั่นเลยเป็นการลำบากมันมีแล้วก็พอใจในการที่มันมีอยู่เรียกว่าสันตุทิยินดีตามมีตามได้ดีกว่ามันมีแล้วไม่อยากอะไนอยากไม่มีอนะไรอันนั้นมันเป็นทุกข์มันอยากไม่มีเนหะ็นมันมีมากก็เลยอยากไม่มีราคาหนี่งอยางมีก็เลยเดือดร้อนเป็นทุกข์ลำคาญเนียวี่ภวัตถนา hour. ตัณหาสามนี้ท่านเรียกว่าสมุทยัยเป็นเหตุในเกิดทุกข์ทั้งนั้นการมาตัณหาภาวะตัณหาเยกว่าภาวะตัณหาเนี่อธิบายมาถึงเรื่องสิ่งที่ควรละไม่มีตนเป็นตัวหรอกแต่ละหาก็เราเห็นโทษเราละเราปล่อยวางทอดทิ้งเราอยู่จิตนิ่งอยู่สบายเป็นสุข ก, การที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะละของทั้งหลายเหล่านี้ น, นี้ทางพรเดจจานสอนให้เราคนจากทูกในดุลพินรจเพราะฉะนั้นทุกคนขอจงได้พากันจาเอาเนื้อขวานนี้แหละไปคิดพิจารณาให้มันถึงสัจธรรมคามสอนพระเจ้าเห็นจริงแล้วจึงเกิดเป็นอริยะธรรมธรรมนี่จะเป็นอริยะธรรมถ้าหากว่าเราเห็นชัดเค้นมาแล้วเราได้เป็นได้เสวยเห็นสัจธรรมของพระเดจจาวตัวของเราก็จะกลายเป็นพระอริยะสินมาธรรมนั่นก็เป็นธรรมของพระอริยะ ถ้ายังไม่ได้เห็นจริงนั้นธรรมนั้นเป็นของอริยะจริงแต่ตัวขงเรายังเป็นปุถุชนไม่เป็นอริยะไปตามธรรมอันนั้นในสื่อว่ายังไม่ชัดไม่จนไม่เห็นแจ้งมาจากตัวตนเทียบอธิบายมาก็มีเนื้อความโดยเฉพาะเพียงแค่นี้